จเจรินพรท่านสาธุชนผู้จเจริญผู้มีจิตศรัทธาเรื่มใสในพระพุทธศาสนาวันนี้ท่านทั้งหลายก็ได้มาที่วัดกันเพื่อประกอบคุณงามความดีตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนคือละการกระทำบาปทั้งปวง ทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมชั่งะจิตใจให้สะอาดหมดจดนี่เป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนได้น้อมรับโอวาทที่พระพุทธองค์ได้ทรงมอบไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายปฏิบัติตามเพราะสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงมอบไว้ให้ พวกเราทั้งหลายปฏิบัติตามกันนั้นเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญเป็นเหตุที่จะดับทุกภัยอันตรายทั้งหลายไม่ให้เข้ามารบกวนทำลายชีวิตจิตใจของพวกเราทุกๆคนดังนั้นถ้าพวกเราทุกคนปรารถนา ความสุขความเจริญความไม่มีทุกข์ภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเราก็ต้องน้อมเอาําคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกับเราด้วยการมาวัดอย่างสม่งเสมอเพราะเมื่อเรามาวัดแล้วเราก็จะได้มาละบาปกันด้วยการสมาทานศีล มีศีลห้าศีลแปดเป็นต้นแล้วเราได้กระทําความดีกันด้วยการทําบุญให้ทานบูชาพระรัตนตรัยมีสัมมาคารวะมีความกตัญญูกตวเวทีและชำระใจของเราให้สะอาดหมดจดด้วยการฟังเทศฟังธรรมใจของเรานั้นมีปัญหา ใจของเรานั้นยังไม่มีความสุขนั่นเองใจของเรายังมีความทุกข์มีความเศร้าหมองอยู่ทั้งนี้เป็นเพราะว่าเครื่องเศร้าหมองยังมีอยู่ภายในใจของเราเครื่องเศร้าหมองนี้ได้แก่อะไรเครื่องเศร้าหมองนี้ก็ได้แก่กิเลสตัณหาทั้งหลายคือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนาน า, นา สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ใจของเรานั้นมีความทุกข์ทำให้ใจของเราต้องไปกระทาบาปทำกรรมทำเรื่องต่างๆที่เรารู้ว่าไม่ดีแต่เราไม่มีกำลังไม่มีอำนาจที่จะฟื้นกับสิ่งเหล่านี้ได้เพราะว่าเราไม่เคยฝึกตน เราไม่เคยสร้างกำลังให้ต่อสู้ให้ทำลายกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของเราเพราะเราไม่รู้จักวิธีเพราะว่าเราไม่เข้าศึกษาเราไม่หาศาสนาเราจึงไม่รู้จักวิธีที่จะเอาชนะกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจของเรา แต่ถ้าเราได้เข้ามาสู่วัดวาอารามได้ฟังเทศฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอเราจะได้ยินได้ฟังวิธีการที่จะชำระหรือกำจัดกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ถ้าเราไม่กำจัด กิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองเหล่านี้ให้ออกไปจากจิตจากใจต่อให้เราเป็นมหาเศรษฐีเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นอะไรก็ตามที่คนต่างคนทั้งหลายในโลกนี้อยากจะเป็นกันเราก็จะหาความสุขไม่เจอเพราะว่าความสุขนั้นไม่ได้อยู่กับไม่ได้ขึ้นอยู่กับการ เป็นมหาเศรษฐีเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นอะไรทั้งหลายทั้งสิน้นสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถมากําจัดขดจัดความเศร้าหมองความทุกข์ที่เกิดจากความเศร้าหมองให้หมดไปจากจิตจากใจได้นอกจากไม่กําจัดแล้วยังเสริมเพิ่มความเศร้าหมองให้เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นไปอีก ดังนั้นเราจึงต้องอาศัยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องชี้ทางเป็นเครื่องบอกวิธีที่จะทำให้เราได้มีความสุขอย่างแท้จริงดังนั้นพระพุทธองค์จึงสอนพวกเราให้เราทำความดีละความชั่วและกําจัด ความโลภความโกรธความหลงด้วยวิธีการที่ท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัติกันในวันนี้คือมีการทาบุญให้ทานมีการรักษาศีลแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี้ก็ประกอบขึ้นด้วยการทำจิตให้สงบในเบื้องต้นเมื่อจิตมีความสงบแล้ว ก็อบรมสั่งสอนจิตให้รู้จักเรื่องราวต่างๆเรื่องของความดีเรื่องของความชั่วเรื่องของเหตุที่ทำให้เกิดความสุขและเรื่องของเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์เมื่อเราเห็นเป็นไปตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะมีความสามารถที่จะทำลายเหตุที่เป็น ต้นเหตุของความทุกข์และเจริญเรื่องรักษาเหตุที่จะนามาซึ่งความสุขนั่นเองเราจะสังเกตได้ว่าคนเรานั้นโดยเวลาปกติถ้าเวลาจิตใจไม่มีความโลภคือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงใจของเราจะมีความรู้สึกสบายเราจะเป็นคนที่มีความ อบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มองใครก็มองด้วยไมตรีจิตแต่ในทางตรงกันข้ามเวลาที่เราเกิดความโลภขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความหลงขึ้นมาใจของเราจะมีความรุ่มร้อนใจแล้วเราการแสดงของเราออกมาทางวาจาและทางกายหรือทางสีหน้า ก็จะเป็นไปในทิศทางที่ไม่ดีเวลาคนโกรดนี่เราจะเห็นได้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่น่าชื่นชมยินดีเลยว่าการพูดจาของเขาก็มีแต่พูดในสิ่งที่ไม่ดีแล้วการกระทำของเขาก็กระทำในสิ่งที่ไม่ดีสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและตัวของเขาเอง เพราะในขณะที่มีความโลภมีความหลงมีความกโกรธอยู่ในใจเขาใจของเขานะั้นเปรียบเหมือนกับมีไฟเผาใจเขาอยู่ทำให้เขาไม่มีความสบาย อ, อกสบายใจมีแต่ความวุ่นวายใจนี่แหละจึงเป็นเหตุว่าทำไมเราจึงต้องดูแลใจของเราเราต้องชำระใจของเรากําจัด ความโลภความโกรธความหลงเพราะว่าถ้าเราไม่กำจัดแล้วความโลภความโกรธความหลงนี้จะเป็นตัวที่จะฉุดลากพาเราไปสู่ความทุกข์ทั้งหลายเวลามีความโลภความโกรธความหลงก็เป็นต้นเหตุของการกระทําอกุศลกรรมทั้งหลายคืออกุศลกรรมทางกายและทางวาจาเวลามีความโลภความโกรธความหลง ก็จะนำพาไปสู่การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดมดเท็ดการพูดคำหยาด ก, การพูดเพ้อเจ้อและการพูดส่อเสียดพุทธกรรมเหล่านี้เมื่อทำไปแล้วก็จะนำความทุกข์มาให้ผูก้กระทำอย่างเวลาเราไปทำอะไรที่ไม่ดี เราจะมีความรู้สึกไม่สบายใจความไม่สบายใจอันนั้นแหละก็คือความทุกข์แล้วเวลาเราไปโกหกใครไปหลอกลวงใครหรือเราไปโกงใครไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครเราจะมีความไม่สบายอกไม่สบายใจเพราะเรารู้ว่าเราจะต้องถูกจับมาทําโทษในไม่ช้าก็เร็วแล้ว เราก็ไม่อยากจะให้ใครรู้ว่าเรากระทําสิ่งเหล่านี้เพราะเรารู้ว่าการกระทําสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเขายกย่องชื่นชมยินดีแต่เป็นสิ่งที่จะต้องถูกเขาประนามว่าเป็นการกระทําที่ไม่ดีนั่นเองไปอยู่กับใครที่ไหนก็จะไม่มีใครเขา อยากจะคบค้าสมาคมด้วยเพราะว่าคนที่มีพฤติกรรมไม่ดีคือไม่มีศีลนั้นเป็นคนที่ไม่น่าไว้วางใจเปรียบเหมือนกับอสารพิษงูพิษนี้เราไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้ถ้าเราจำเป็นจะต้องมีงูพิษเราก็จะต้องจับขังไว้ในกรงจับเก็บไว้ในที่ปลอดภัย เราจะไม่ให้งูพิษนั้นออกมาเพ่นพ่านในบ้านของเราฉันใดคนที่ไม่มีศีลเป็นคนก็เป็นคนก็เปรียบเหมือนกับเป็นอาสาลพิษเป็นงูพิษไม่มีใครต้องการที่จะเข้าใกล้มีแต่จะต้องคอยจับเอาเข้าคุกเข้าตารางเพื่อที่จะได้ไม่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ทีนี้ถ้าเราต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตารางเราก็รู้ว่าการที่ต้องอยู่ในคุกในตารางนั้นเป็นอย่างไรความสุขในคุกในตารางนั้นย่อมหาแทบจะไม่ได้เลยมีแต่ความทุกข์เพราะว่าเราไม่มีอิสระภาพเราไม่สามารถที่จะไปไหนมาได้ไปไหนมาไหนได้ตามความต้องการของเราเราจะกินจะนอนจะทำอะไร ก็ต้องถูกเขาบังคับถูกเขาควบคุมเราไม่สามารถที่จะเลือกอาหารที่เราจะรับประทานได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งที่เขาจัดการให้กับเราทุกอย่างไปเลยนี่แหละก็คือความทุกข์ที่เห็นได้จากการที่ประพฤติตนผิดศีลผิดธรรมในทางตรงกันข้ามถ้าเราเป็นคนที่ ไม่ไปทำผิดศีลผิดธรรมคือไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ไปลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดมดเท็ดชีวิตของเราก็จะอยู่ได้อย่างปกติจะไม่มีใครเขามาจับเราไปเข้าคุกเข้าตารางจะไม่มีใครเขารังเกียจเดียวฉันเรานอกจากไม่รังเกียจล้วแล้วเรายังเป็นคนที่มีคนชื่นชมยินดี อยากจะคบค้าสมาคมด้วยเพราะคนที่มีศีลนั้นเป็นคนที่ปลอดภัยคือไม่สร้างเวรสร้างกรรมไม่ไม่ทำร้ายผู้อื่นนั่นเองไปอยู่กับใครที่ไหนก็มีให้แต่ความความล่มเย็นความความสบายใจให้กับบุคคลต่างๆ น, นี่แหละคือผลที่เกิดขึ้น จากการมีศีลและหรือการไม่มีศีลถ้ามีศีลแล้วก็จะเป็นคนที่อยู่ได้อย่างปกติสุขมีความเป็นอิสระสามารถไปไหนมาไหนได้ไม่ต้องถูกเขาจับเข้าคุกเข้าตารางขังไว้ในห้องแต่ถ้าแต่ถ้าไม่มีศีลแล้วก็จะเป็นคนที่ไม่มีใครเขาอยากจะเข้าใกล้ ถ้าเห็นหน้าเขาก็จะต้องรีบไปแจ้งความกับตำรวจ <c oughs> เพื่อที่จะได้กำจัดบุคคลเหล่านี้ไม่ให้ออกมาเพ่นพ่านให้มาสร้างความเดือดร้อนกับกับตัวของเขาเองและกับผู้อื่น <c oughs> นี่แหละทำไมเราจึงต้องรักษาศีลกันเพราะว่าเราทุกคนเกิดมาเราก็ต้องการความสุขแลาไม่ต้องการความทุกข์กัน ความสุขและความทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นจากการกระทำของเราเองมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นหลักผู้อื่นการกระทำของผู้อื่นนั้นอาจจะเป็นเหมือนกับเป็นชนวนเท่านั้นเองเป็นตัวทำให้เราทำความดีเลิกทำความชั่วได้แต่การกระทำความดีหรือการกระทำความชั่วนั้นเราเป็นผู้กระทำ ยกตัวอย่างเวลาเราเห็นคนอื่นหรือได้หรือได้ยินคนอื่นเขาพูดอะไรหรือทำอะไรที่ไม่ถูกใจเราถ้าเราไม่ไปสนใจเขาเสียคือเราเห็นเขาทำอะไรหรือพูดอะไรถึงแม้เราจะไม่เราจะมีความไม่พอใจแต่ถ้าเราทาใจของเราให้นิ่งเฉยเสียไม่ไปสนใจไม่มีปฏิกิริยา อะไรตอบโต้เขาเราก็ยังไม่ต้องเราก็ยังสามารถรักษาความดีของเราไว้ได้อยู่แต่ถ้าเราเวลาเห็นหรือได้ยินอะไรแล้ว เ, เกิดความไม่พอใจแล้วเราไม่ยับยั้งใจของเราไว้ปล่อยให้แสดงออกมาทางกายหรือทางวาจาก็จะนำพาเราไปสู่การกระทาที่ไม่ดีได้ เช่นการพูดคาหยาบเป็นกะนแล้วก็ไปพูดทะเลาะเบาะแวงกันหรือไปมีการต่อสู้ทุบตีกันอย่างนี้เป็นต้นเมื่อทําไปแล้วผลใครเป็นคนรับล่ะผลก็ร่องเป็นคนที่กระทํานั่นแหละเป็นคนรับคนที่เขาทาในสิ่งที่เราเห็นเราได้ยินแล้วเราไม่พอใจเขาไม่ได้กระทําอะไรเขาก็ไม่มีผลอะไร เกิดขึ้นกับเขาแต่ผลนั้นมันเกิดขึ้นกับการกระทำของเราดังนั้นเวลาเราเห็นอะไรหรือเราได้ยินอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกใจเราเราต้องใช้สติปัญญาเตือนสติเตือนใจเราว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะทำอย่างไรมันก็เป็นเรื่องของเขา แต่เราตังหากที่เราจะต้องห้ามใจของเราเองห้ามตัวของเราเองไม่ให้ไปกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงามคือต้องระมัดระวังอย่าไปทำอะไรไม่ให้มันผิดศีลผิดธรรมเป็นอันขาดถ้าเรารักษาการกระทำของเราได้คือไม่ให้ไปกระทำความความชั่วแล้วบาป ก, กรรมทั้งหลายคือความทุกข์ย่อมไม่เกิดตามมา เพราะนี่เป็นหลักของเหตุและผลเหตุก็คือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจผลที่ตามมาก็คือความไม่สบายอกไม่สบายใจและความที่จะต้องไปใช้ใช้กรรมในวิธีทางด้วยวิธีวิธีการต่างๆเช่นไปติดคุกติดตารางอย่างนี้เป็นต้นก็จะไม่เกิดขึ้นกับเรา ถ้าเราไม่ไปกระทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม <Yeah. S 1> ดังนั้นเวลาเราดูเห็นือะไรห ร, ไหรือได้ยินอะไรมาสัมผัสแล้วเรามีปฏิกิริยาตอบโต้บางครั้งก็เป็นปฏิกิริยาที่ดีบางครั้งก็เป็นปฏิกิริยาที่ไม่ดีเราก็ต้องมีความระมัดระวังคอยดูใจของเรา เวลาเกิดความโกรธขึ้นมาก็ต้องระงับความโกรธนั้นอย่าปล่อยให้ความโกรธนั้นระบายออกมาทางกายทางวาจาถ้าเรารักษาความเป็นปกติของใจกายวาจากายกระทําของกายและวาจาได้แล้วชีวิตของเราก็จะดำเนินไปได้ด้วยความราบรื่นดีงามไม่มีปัญหาตามมา แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราเวลาเราได้ยินหรือเห็นอะไรที่สร้างความไม่พออกพอใจสร้างความโกรธสร้างความขับแค้นใจให้กับเราแล้วเราไม่ระ ง, งับมันเราไม่ควบคุมความรู้สึกอันนี้เรากลับปล่อยให้มันระบายออกมาทางวาจาและทางกายปัญหาก็คือความวุ่นวายเรื่องราวต่างๆก็จะตามมา ความทุกข์ก็จะต้องตามมาอย่างแน่นอนดังนั้นขอให้เราทำความเข้าใจไว้ว่าเรื่องของความสุขและความทุกข์นั้นหรือความเจริญและความเสื่อมนั้นมันไม่ได้อยู่กับใครที่ไหนมันอยู่กับตัวของเราเองตัวของเรานั้นเหมือนกับเป็นรถยนต์คันหนึ่งเราเป็นคนขับรถยนต์เวลาเราขับรถยนต์นี้เราต้องมีความสามารถที่จะควบคุมรถยนต์ ให้ไปในทิศทางที่เราต้องการให้ไปได้เมื่อถึงสี่แยกไฟแดงเราต้องบังคับให้รถนั้นหยุดได้เมื่อเราจะไปทางซ้ายไปทางขวาหรือเดินหน้าหรือถอยหลังเราก็จะต้องมีความสามารถที่จะควบคุมบังคับให้รถนั้นไปตามที่เราต้องการได้ถ้าเราควบคุมรถยนต์นั้นให้เป็นได้การขับรถยนต์ของเราก็จะปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุ เกิดขึ้นมาชีวิตของเราก็เป็นเช่นนั้นชีวิตของเราก็เปรียบเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งเราก็เป็นเหมือนกับคนขับรถยนต์เราต้องดูการเคลื่อนไหวของชีวิตเราการเคลื่อนไหวของชีวิตเราก็คือกา ร, ก, ารกระทำทางกายทางวาจาและทางใจนั่นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทาทางใจเพราะการกระทาทางใจคือความคิด ความรู้สึกอารมณ์ต่างๆนั้นมันเป็นตัวริเริ่มเป็นตัวที่จะทำให้เกิดการกระทำทางวาจาและทางกายตามมาถ้าเรามีสติคอยดูคอยควบคุมดูการเคลื่อนไหวของความคิดของเราของอารมณ์ของเราแล้วแล้วเราไม่ปล่อยให้ความคิดและอารมณ์ของเรานั้นพาเราไป ในทิศทางที่ไม่ดีที่ไม่ถูกต้องแล้วชีวิตของเราก็จะดำเนินไปได้ด้วยดีพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่พวกเราทุกคนปรารถนากันก็คือความสิ้นทุกความปราศจากภัยอันตรายทั้งหลายสิ่งเหล่านี้นั้นอยู่ในความสามารถของพวกเราเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักดูแลชีวิตของเรา เหมือนกับเวลาเราจะขับรถยนต์ในเบื้องต้นแเวลาเราขับรถยนต์ไม่เป็นเราจะต้องทำอย่างไรเราก็ต้องไปฝึกเรียนก่อนเรียนวิธีการขับรถยนต์ว่ารถยนต์นี้จะขับเคลื่อนไปได้อย่างไรจะต้องทำอย่างไรถึงจะให้มันเดินหน้าได้ให้มันถอยหลังได้ให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ให้หยุดได้สิ่งเหล่า น, นี้เราต้องเรียนรู้ก่อนก่อนที่เราจะไปขับรถยนต์ ถ้าเราไม่เรียนรู้เสีย ก, ก่อนล็อกขึ้นไปขับรถยนต์เดี๋ยวเกิดเวลารถมันวิ่งไปแล้วแล้วเราไม่รู้จักวิธีที่จะหยุดรถรถก็จะต้องไปชนกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ตอบต่อไปอย่างแน่นอนชีวิตของเราก็เช่นกันการดำเนินชีวิตของเราคือการกระทาของเราทางกายวาจาและทางใจก็ต้องเราก็ต้องรู้จักว่าการกระทานั้นทาไปแล้ว มีผลดีผลเสียมาอย่างไรการกระทำที่มีผลเสียเราก็ต้องพยายามหยุดคือไม่กระทำส่วนการกระทำที่มีแต่ผลดีนำมาเราก็พยายามทำให้มากๆขึ้นไปนั่นแหละคือคือวิธีการดำเนินชีวิตของเราถ้าเราควบคุมการกระทำของเราให้อยู่ในกรอบของศีลและธรรมแล้ว อยู่ในกรอบของของความดีชีวิตของเรานั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญอย่างเดียวยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้ที่มีสิทธิ์มีสติปัญญาที่คอยเฝ้าดูแลการกระทำของท่านทางกายวาจาและใจตลอดเวลาท่านจึงนำพาชีวิตของท่านไปสู่จุดสูงสุดที่มนุษย์ทั้งหลาย จะสามารถดำเนินไปได้นั่นก็คือการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดการพ้นจากการพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายพวกเราทุกคนนั้นยังไม่เป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าเพราะพวกเรายังไม่สามารถดำเนินไปถึงจุดนั้นได้ชีวิตของพวกเราจึงเป็นชีวิตที่มีความสุขความทุกข์ผสมประสิกันไปนุ่มๆดอนๆ ส่วนใหญ่จะมีแต่ความทุกข์รออยู่รอเราอยู่ข้างหน้าเสมอเพราะเหตุใดเพราะว่าพวกเรานั้นยังยังยังเดินหน้าเข้าหาสู่กองทุกข์แทนที่จะเดินถอยหลังออกจากกองทุกข์เรายังเดินหน้าเข้าสู่กองทุกข์อยู่เพราะอะไรเราจึงเดินหน้าเข้าหากองทุกข์ก็เพราะว่าเราไม่เราเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขนั่นเองเราเห็นกับตรงกันข้ามกับความเป็นจริง เราเห็นไม่เป็นไม่เป็นปลายาง่าเป็นจริงเราจึงเราจึงเป็นเหมือนกับคนตาบอดนั่นเองคนตาบอดก็คือคนที่ไม่เห็นอะไรเลยก็เลยคว้านู่นคว้านี่มาคิดว่าสิ่งที่จับมานั้นคว้ามาได้นั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่หารู้ไหมว่าสิ่งที่คว้ามานั้นคืองูพิษอสรพิษเมื่อคว้างูพิษหรืออสรพิษมาก็ต้องถูกบังกัด เมื่อถูกมันกัดมันก็ต้องเจ็บปวดรวดร้าวและในที่สุดก็ถึงกับตายได้ฉันใดชีวิตของพวกเรานั้นก็ยังเป็นในลักษณะนั้นอยู่เพราะเรายังไม่มีความรู้ความฉลาดหรือปัญญาที่จะมองเห็นความเป็นจริงได้ตามความเป็นจริงของเขาเรายังเห็นกับตรงกันข้ามกันอยู่เพราะอะไร ก็เพราะความหลงผิดที่เราเรียกว่าโมหะความหลงนี่เองยังมีครอบงำใจของเราอยู่เลยทำให้เรายังมีความโลภมีความโกรธอยู่เราจึงต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรายึดเราติดกันอยู่ในโลกนี้นั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นบุคคลก็ดีไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นวัตถุก็ดีสิ่งต่างๆเ่านี่นั้นไม่ใช่เป็นความสุขเลยมีแต่ความทุกข์แต่พวกเรายังเห็นดีเห็นชอบกับบุคคลต่างๆเราจึงอยากจะมีแฟนกันยังอยากจะมีสามีมีภรรยากันแทนที่จะอยู่ตัวคนเดียวเหมือนกับพระพุทธเจ้าเรายังทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเรายังคิดว่าการที่เรามีแฟน มีสามีมีภรรยาจะทำให้เรามีความสุขแต่เมื่อเรามีแล้วเรามีความสุขจริงหรือเปล่าเราเคยถามตัวเราเองบ้างไหมหรือว่าเราก็ยังมีความทุกข์อยู่และดีไม่ดีกับมีความทุกข์มากกว่าเดิมด้วยซ้าไปเพราะเมื่อเรามีแฟนแล้วเราก็ต้องมาทุกข์กับแฟนเราเราต้องมาห่วงแฟนเราห่วงสามีห่วงภรรยาเราอย่างนี้มันเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ ถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวเราไม่มีสามีเราไม่มีภรรยาเราก็ไม่ต้องห่วงสามีเราก็ไม่ต้องห่วงภรรยาและเราก็ยังมีความสุขได้เพราะความสุขนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือบุคคลนั้นหรือบุคคลนี้แต่ความสุขนั้นเกิดจากการที่เราไม่โลภเราไม่โกรธต่งหากและการที่เราจะไม่โลภและการที่เราไม่โกรธได้ เราก็ต้องมีความรู้คือปัญญาเพื่อที่จะมาเอาชนะความหลงความหลงนี่สอนให้เราคิดว่าถ้าเรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเราจะมีความสุขแต่ความจริงแล้วกลับเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามถ้าเรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเรากลับจะมีความทุกข์เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นั้นล้วนเป็นกลองทุกข์ทั้งสิ้นมีอะไรก็ต้องเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้น ไม่มีเสียได้จะดีเสีย